เดินสวนสนามทูกเดินสวนสนามใจใจพระลันวะมีทุกใจโม่ห้องวะมีทูกใจพระหันวมีกิเลสเรียกวะมีสนิมหน้าวะมีตะกอนใจโม่ห้องวะร่ำพนแมันหน้า ม, มีตะกอน น่าขี้สนิมเรียกว่าขัดเนือเขาขีดเนี้ยงขงนต้นไม้ก็เครื่อเกี่ยวยิ่มันรวงรวงยางใบปงกับพมี่ทุกตินเป็นพวกมีทุกแล้วทุกขาปา ร, รยตาเป็นพวกมีทุกจำเป็น พระเราามีมัจะเยวาราศทุกข์ขันธัตระอันสะจจริยายสังวัตตตุสามท่ามให้พวดทุกข์จะพึงมีปรากฏแก่พวกผู้ขาทั้งหลายวาจาศักด์โหติหน้าเป็ผู้มีทุกแล้วพระอริตาเนผู้มีโชคกำเป็นแล้ว ทุกเ้าให้ค้หาโง่มากรั้นสีทุกทุกให้เสีบพี่ห่วใจนี่วันเดียวพระพุทธเจ้าลูกของจริงของจริงนี่โยชีปการทุกขังนี่สัจจังจริงย่างผสม สมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกเกิดต้นเทยร์ทียร์ในโลกทั้งปวงเห็นว่าสมุทัยคือตัรหาเป็นเหตุให้ทุกเกิด ว, กกวั น, กกดนนี้เป็นของจริงอันนึงชิงว่าทุกขัสัพพโยาอาริยสัจจัง ภาษามมทยโอกับกภาษามไทยอันเดียวกันโมก็เป็นคำ ข, ของภาษามาครอินสนามตกกับขอบฝาไม่ฟั ง, งไม่เด่นอธิษหานสภาระที่แม่แน่เสมอตันหาใหม่มี แม่ห น, า, นามหอยน้องข้องเบิงบางไร่ลงหัวมหาสมุทรทะเลเสือมหาสมุทิกระตามแม่หนามมหินสาสาระกผู้อเจรวดีสวัสดีไรลลงมหาสมุทรเดียว อาส ม, มุสดแผลเลยแผ่ทุเรีนติกอาแะกับตินี่ยงกับางเม่น่าเส ม, มอตันเทานี่เาี่มันลังลายมาในอารมณ์ทั้งกวอปการสุดาเราคุมเส่งมันเราเี่ยวนะเวลาเสร็จ ยกเวรหข้าจอบไปเบ้านตู่คือตหายข้าจอบเวรแม่ให้มัปอบเป็นกูแม่ถ้าข้าบไปเวรไปเออไปไปขึ้นไปนั่งตบตเนาะไปเบิร์เียาเน right. okay. ่าันเมื่อ่สากัน้วยมาจะมาเล่ันย้บ <sm ans triste> แล้วคนเราทาบเมื่อบานนู้นแล้วไปเคราบไปนีเหลาวลมดแล้วผู้อยากไปเขาก็ม่ยอมนี่ฮันนี่เขาพาเขาไปได้บอกไปยังมื่ไป่สารไปไปยึงเไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิมเมาอิ่มเพิ่มเเพิ่มเพิ่เพิ่มเพ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเเพิ่ มูว่วาดเรื่อัเมเห็นแท้่งคนทำงนนีคนที่เขาามาเ็ิกนมอเล็กเพิ่คือมีเป็แม่นลายมาให้ผู้มีผู้เปิดไฟให้เบิงลวงหมอไปผ่าไปนั่ผู้นึงไปให้ท่านขจาเมืองแนะ่ขาจวาวากนดินขาจาวาคนดินนั่นมะตายเว้ยสื้อห่วงใหม่เหี้ยงขาจวาวมกขดินนดินนั่นมตาย เหเจ้าเบื้งนีล้บอไปพพาไปเบงไปไฟเบงไปฟมาเบ้องด่นก็ตรเวดอกบบพระไปล้วรือไป หน้าเพิ่มภาพไปเิ่มเพิ่เพิ่มไปไปเพิ่มเพิ่ไปเพเิ่มปไเพิ่มเพิ่ไปเมเ่ม่มเ่เพิ่มไปเพิ่มเมไปไป่มเพิ่มกปไเ่ิมไป่เพิ่มไป่เพิ่ม้ปนป่เพิ่ม่มเพิมไปไ่เพิ่ม่มเพิิ่เ่เ่เพิ่่ิเิ่่ไเิ่เพ่ อซาล่าะ่อบซาลาะกินข้าวปั้วซาลาเป็นเทผักทีเศร้า ปูได้ก็เจอเอาะเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทมาดิฉันแห่งอังคะชื่อจำปาชื่อจำปาแห่งมรรคทะชื่อมรคตหรือราชชกึแห่งกาสีชื่อพาราณสีแห่งโพสะชื่อโพศนหรือสาวตีวัตชีแห่งเวสันติบอกว่าวัตชีวัตชีมันละมันละปุศินราหรือเปล่าวามันละวัชีมันละ อังคะวักทากาสีโพสละวชีมันละเชตีวังสะปูรุปัญจาระมัชชะสุตเสอัศกะอวันตีคันธาระกัมโพชะสกะแห่งกบินฑพัฒโกริยะเทวทธารยุราคามบ้านพระเทศอัสสัตโกริยะโกริยะพักคะวิเทหะอังคุตระปะิบสีบ 1ื1อห่าซุตซเจ็บ้เป็ดซือเก่ายี่ซื้ยี่อเอ้าแพนิุนึ่งในาพธรชาเขาเมื่อตุสีนาราเมื่อกบิลพัทเป็นเมื่อขืนของเมื่อสาวัตถีค่ัพระเจ้าเาประเทศอินเดียเป็นที่สองของประเทศจีน พัน่็ตเจาะคงได้ไดกลาป็นเกิดถ่านรื้ไปใส่ซากท่านร้ายก็มูข้างเป็นพระเวทสั้นดอนกับเมื่องสีที่เมื่องหอยา ง, ยางมเมื่องพาาระราษีกับนันพวกกระละเกียุดรวงเกิดเมื่อพระราษีทั้งนั้นพระศียาเมศไทยศีมาเนี่เมื่อพระราษีศีลซื้อม่เมื่อกุตุมาวดีกุตุมาวดี ในตักรูปไม้การกระทิงคือไม้กระทุ่มเลือดพระพุทธเจ้าทระศรีอาร์ตฮาวพาสศยามิตรโยนไปก็มีเลยบอไปจะคนชิบคนบอไม่่มบไป่ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็พบจะใส่ก็พบจะเมื่องใจนี่ยแล้องไกพวก่ยท่าเห็นนี่ยานอยู่ตรงไหเนี่ยานว่ะโกการชิงชาวรันชิงแต่เห็นยเขาเขียนหน่อยนุ่งขาวผกเนี่ยโกการชิงชาวลันชิงใส้ทาพันหัวขาวแล้วก็นุ่งขาวเห็นยี่เมืองหัวดอกาโกการชิงชาวรันชิง เนี่ยเจ้าคามันยุใส่ะ้อมองจาก็ว่าโคบอลชิงเช่าดัชิงหนึ่งมันพวกกบินลพัดถูกหมอือพวกกบินลพัดใช่ไหอือบชิงเช่าดชิงอะนิงอือบิงอืีกสิ คนละเมื่อว่าเขาหาไปรดร้อยล้านเก้ารอยล้านนะบอกประเทศอินเดียเ น, นี่ยอันที่สองของจีนมาแย่มาเก็บ ม, มาตายหน่อยร้ายก็ได้มาสั่งบรลานี่มีสงสารลงไางวันพวกเขาสู้พริพนานพอแล้วเขามาเขาไม่เห็นไม่ได้ในทองมหาสมุทรซื้อมหาสมุทรพวกที่สียยั่งโน่นนี่ก็คือกัน พวกที่ไปข้างหน้าขึ้นพุกันเผื่อท่าสัมพุทธเจ้าจะไม่ร้ายอันนี้กระซาตะโกตะโยพุทธเจ้ามากก็ร้ายโกฏิสัพเพพุทธะอัสมาสมาสัพเพพุทธะมหิตเทตาสัพเพทศพุรุเปตตาเวสาลเชหงปาหาตาเวสาลช่ายานกันเดียวกันเมดมีเลมีเลต์กันเดียวเมตต์ลูกพ่ะพันสัญากันเดียวเมตต์กันแต่วาสางมารมีน้อยมากขน้น เนี่ยซักสร้าว่าแล้วไม่หน่อยก็สซ้างมากกระตามรถของพระนิพพานอันเดียวกันรถของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันชาติที่กาปัญญาที่กาวิทยาที่กาของมือกันสุขไพรปัสกุลพระอรหันต์ก็คือกันรสชาติอันเดียวกันรสชาติภาพพระนิพพานเ่าไม่อันดับต่างกันเ่าไม่เกิด เก้าอี้นั่นของพระเจ้าองค์นั้นเก้าอี้นี้ของพระเจ้าองค์นี้ว่าอย่างาเมื่อการวัดเมื่อเปลี่ยนมาใช้คำสอนของพระุเจ้าเมื่อใดคัดเ่อใดแย่งกันพวกพิวัฒนาลัยถ า, ามมาแล้วนี่แก่ามาแล้วกับบรรดาลเริ่มใช้ใ น, นพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเป็นรักของโหลกแม้จะไม่ร้ายนิกายก็ตามก็เปลีปยย่ยนไปได้ด้วยความเห็นของตนนี่เชียอสนศาสนาพุทธก็ไม่นิกายเดียวคือท่าดีอะไดีท่าชั่วอะไรชั่วมาผลในผ่านมี่อนิยัตรซซีกับนี่ ทุกสมุทัยนี่โหลดมากนะมีนี่งกายเดียวนะเมื่อถึงพุธยิงพธุงพธย้อนแล้วเพียงไรก็สร้างคำนีนี่งกายเดี่ยวเมื่อว่าถ้ามรดมหานิกายเข้ากับกาซื้อกันซื้อกันเอาซื้อแล้วพุทธเจ้าบว่บาดนว่าถ้ามรดมหานี่กายเป็นชาวาของเพลินในว่าสายของหลวงปู่หมั่นสายหลวงของปู่ซ่าหรือสายของหลวงปู่ทีร สายของผู้นันผู้นีสาบอกของเพนเพนว่าแต่สุปฏิปโนช่วยาสามีทหัถึงสายของเพนพระโชดาวันสักราข้ามี่พระอาาข้ามี่พระโดาบันกตั้งล้านพระสักระา้ามี่กตั้งล้านพระอาาค้ามี่กตั้งันล้านพระอารหันกตั้งรนล่านสายกของเราเพลนว่าสายของเราเพลนว่า เพื่นบด้วาพกที่รักป็นสายของเราถ้ามนุษย์เป็นสายของเราสายของหลวงปู่หม่นเป็นสายของเราสายของหลวงปู่ซาเป็นสายของเราเพื่อนบริยินญาติันนิษนได้เเาสายหลวงปู่บัวสายเพื่นในการมหามัวสายหลวงปู่ฝันสายนั้นสายนี่มื่อดมีสายหลายคือมัวห้าดอนุองมห้ามันจะเป็นจะไม่สายหลายมันขี้กระตือร้ายละสายหลายมัวห้าเนี่ยมันเป็นกาสียตก่ก ันไายเดียวพลันเพิ่นพระ พ, พุทธเจ้าซุปเทพบนโชุชุ่ยา่ยะสามีนะเพนนิ่นขนาดนะ้นสายพุทธธรรมสาย อ, อันนี้เพิน่นบริวารเมือหอมมาใส่ขันแกงมาออกกันซื้อมาใส่ซื้อน้าออกกระทงดีแข่งดีกันใข่ได้ก็ไข่ก็แข่งซัวแข่งพระพุทธศาสะนากัน มันบเป็นตัแฉงได้เรเล็กเนเราคีบหายไรอดเผยเป็ดแฉงเลคีบหายรดนบายยังมนเผยเปแฉงกันไมไแฉงทั้งเวทแ่งทั้งเหรีย้ค right? ุณไ้คุณได้เเว่นได้พราะนั่นเป็นคนดีคนเหรียนบายังมวนบเดินก็เดินเห็ึถึงจคนเวนี่เดียวลองสั่นไหวเห็คะแนนทั้งคนเวทได้ คนจินฟินจินเฮโรอินก็บระเทเงือเตี้ยนคนเศร้าได้หมด น, นี่นว่าของสัง ิภาคอันเกิดมา่ยังกอดเลยมันทุกมันือห ม, มูหอบแต่ว่าพ่ เ, เคียดพ่อลาบเลยบอกมีเงินมาหากินอีกไอ้ตัวนั่งนอนอีกกับบุอิมสัมสมาทิฏฐิสอนให้เห็นชอบสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นของพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา สัมมาทิฏฐิเบื้องกลางเบื้องที่สองเบื้องกลางละเอียดไปก็นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิของพระสักราข้ า, ามีสัมมาทิฏฐิละเอียดลงไปอีกเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบของพระอน า, าคข้ามี่สัมมาทิฏฐิเต็มภูมิหมดแล้วเลี้ยนสัมมาทิฏฐิจบพร้อมทั้งปรยิยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวท เห็นชอบทั้งปฏิยัติเห็นชอบทั้งปฏิบัติเห็นชอบทั้งปฏิเวรลดพ้นไปแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิของพระอรหันต์จบสัมมาทิฏฐิถนัดนะโมเบื้องตน้นเป็นนะโมพระ ส, สวดาบันนะโมละเอียดลงไปก็นะั่นเป็นนะโมพระสกทาข้ามนะโมแปลว่านอบนอบเนบีน่ยมันนอกนอบจางกันมันหยาบค่ายา ก, กันนะโมได้แปลนะโมออกว่าอบนอบพระพุทธเจ้า นโมศสากวาตัวเราตัวสมา ม, ธธาาวสมาสมพุทธเจ้าเขาน้อมน้อมเดี๋ยพระสมมาสมพุทธเจ้าพองนั่นแต่ เ, เป็นไทยนโมพระโดาวันนอบนอมเพื่อพระเทพบ้านมีทานน่านวัดศรีวัดพระนาวัดก็นอบนอมเพื่อสิไปพระนิพพานพระสักขะทาข้ามี่ก็คื่นกันละเอียดแต่ก็นั่นอีกพระักขะทาขามีเนี่ยสอบได้เทียบเอี พระสวดวันสอบได้เทียบทู่ทำใมชสั่นเดียวกันโมของสั่นอรรดนโมพระหน้าค่าเนี่นอบ น, อบนอบ้อมจนว่าไม่โลบจนว่าไม่โกรธเพราะหลงไม่อยู่ในจทักน้อยเพหลงแห่เพราะหลงจับพวกนั้นอยู่ในกำมือพระปัญญาที่ทำลายแตก เสียกเหลือบได้นี่ในอุ้ง ม, มือพันแล้วหลงนี่ได้อุ้ง ม, มือพระหน้าข้ามิแล้วมันตีบ้านตีเมืองได้พระโสดาวันตีได้ตีได้สามเมืองพระโสดาวันวศวร์ขึ้นเมืองสกฤติทิฏฐิก็เห็นเแต่เห็นเมื่อถือตนถือตัววิจิตรคิดฉา ามลาังเลนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควมบลลูกค่ำแม่ขอวัดปฏิบัติสินหาหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ีลพัตปมาตนั่นภูมของพระโสดาบันโสดาประสาทเือปร ะ, ประาสรร า, าท ป, สาสา ป, า ป, าปัญญาเนี่ยสมัตต้จักคู่นี่ปัญญาจักสุจกักคูคือปัญญาเนี่ย สมัญทาจักคุยจักคุลอบขอบเนด้ลอบขอบในข้างสิผนทุกในวัฏสงสารเด้ปัญญาในข้างปฏิบัติเพื่อทสิผนทุกในวัฏสงสารเนด้ขึ้นซูโกคตะระปัญญาเบื้องต้นเนด้พระสดารวันขึ้นซูศีลเบื้องต้นเด้พระสดาวดารวันขึ้นซื้อซืซ้อข้นซูสมาธิโลรุตะระสมาธิเบื้องต้นพระอาจารย์พระอัศกัารายละเอียดก็ขันลงไปพระอาาค้า เหนียบลงไปก็กันอีกครื่องนึ่งคนละบอ่อส่วนพระหันตถ์อย่าหมดเบ็ดมสงสัยมาหาบควมสงสัยไว้ในคิดในใจเจ้าของพระหัตถ์เบ็ดปัญหาเสียมากแท่งเจ้าของให้แก้ปัญหาเจ้าของปัญหาเรียมไรเจ้าของจะปรุงมากให้มึงปุงมากมาสามารถจะปุงมาใส่ได ทำลายแตกเหมั้งล่ะทำลายคว่ำหลงแตกเมัอนล่ะถามทะเลหลงฝาดฟ้องเพื่อนฟงล่ะกายก็เป็นแต่กายล้วนล้วนว่าจ้าก็เป็นแต่ว่าจา้ า, จาล้ลวนล้วนไม่มีกิเลสเข้าไปสิงเนี่ยคิดก็เป็นแต่คิดล้ลวนล้วนม่มีโลกปวดหลงเข้าไปสิงลูกก็เป็นลูกล้วนลวนเวนทหน้าข่อมสวยทุกทุกโอเวคขากต่ล้วนล้วน ม, ม่มีผู้ไม่มีกิเลสไปสิง ข า, าเยเรธทนาเยสนประโยุน์ตาทั้งว่าก็ตามทุกข า, าเยเรธทนายสนประโยุตตาทัว่าก็ตามผู้เปียขาสากตาทั้ว่าก็ตามรอหลงรอสงสัยในคิดรอสงสัยในท่ำพอแยกกันออกวดแล้วธาตุทั้งหลายหลยลงหวงมโนธาตุ ท่าทั้งหลายหลลงหัวมโนธรรมาศีลทั้งหลายไหลลงห้องห้อมมหาสีลมโนศีลสมาธิทั้งหลายไหลลงห้องห้อมมโนสมาธิปัญญาทั้งหลายไหลลงห้องห้มมโนปัญญาเออินทรีย์ทั้งหลายไหลลงโห้มมานินสี ลูกังอันวาลูกน้ามัาง่งอันวาซื้อมัน่นดินน้ำไฟล่มมาสุ่มกันเป็นกายเรียกว่าลูกบม่อด้ลงดินบมื่อใดหลงน้ำเมื่อด้ลงไฟบม่อด้ลงลม่มพระอริยเจา้าดินก็รู้ตามเป็นจริงของดินน้ำก็รู้ตามเป็นจริงของน้ําไฟก็รู้ตามเป็นจริงของไฟ ล, ล่มก็รู้ตามเป็นจริงของลม่ม เ่าได้เอาดินหน้ามอยล่มไปเป็นสงข้ามกันเพราะเจ้าของเขาได้ไปเป็นสองข้ามกับดินหน้ามไยล่มเพราะเขาสงสัยเนี่มเป็นสองขัามกับจิบกับไก่จับของเพราะสิ่งไหนสิ่งไหนแต่พี่ก็น่ามั่นแน่ฟักใส่บังมากขอจักอย่านี้แต่เขาบอกกันว่า เสียงพูดน <energy> <pal> like so ั้มันเสียงไพ่เสียงพูดนั้นแล้วอูว่าสันอันเสียงพูดนั้นมันทิ่ฟักแทบ้างมากคุณหงจักว่าสันเว่ดกอันเดียวกันเออคุณหงจักวัดอะไรแน่ลูกฟักแทบังมากคุณงจักวัดดูรอบโลกมัด่ะเป็นสาวกโลกเขาพิทูห่ะพอกคือเป็นสาวกพอกที่เป็นสาวิกากเขเป็นสาวิกาโลกเขาพิทูบอกคนเพศหญิงบอกเชิงพระรหัน่ะ เริ่มสือรูแจ้งโลกไปแต่สุปฏินันโนไปละ <c oughs> โอ้สั่นอร่อยผู <c oughs> พ้พัติ์พระพุทธศาสตร์นนะไม่อยากพ้นทุกข์ในผีตัวได้มาพน้นอ๋อฝั่นว่ ผู้พภปฏิบัติพระพุทธศาสนาบวังถึงพระสวสดา์ันสักขท่าข้ามี่หน้าข้ามี่พระหลานในผีตัวใดมากวันกันผีตัวใดมาเลยทมใจอยู่นี่ว่างในในผีตัวใดมาปฏิบัติผู้พกปฏิบัติพระพุทธศาสนามาเห็นไพ่ในวัดตาสองสารมาเห็นไพ่เกิดไพ่แก่ไพ่เก็บไพ่ตายมาเห็นไพ่ลบไพ่โกดไพ่หลง ใส่ผีต่ได้มาเห็นแต่วางันบนึกบกคิดออกมาพี่ชนะถ้าใส่ผีต่อได้เอามาหนึกคิดมาพี่ชนะถ้าเราเลียมไสก็้าใผีต่วได้มาเลียมไส่องสั่วางแนะอันนี้นี่นงาที่ท้าพุทธทพี่ชนะท้าพระพุทธศาสนาสี่ออมาพี่ชนะท่านั้น พุทธลูกลวงพระพุทธเจ้าการเห็นหลวงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติอยู่ในตัวนี่การนั้นลึกถึงคุณพระธรรมมาเจ้าก็เป็นธรมมานุสติอยู่ในตัวนี่การนั้นลึกถึงคุณของพระเดีทรงเจ้าก็เป็นศีลาก็เป็นสังฆานุสติอยู่ในตัวนี่การนั้นลึกถึงศีลที่ตนรักษาก็เป็นศีลานุสติอยู่ในตัวนี่นั่น การเลี้ยงถึงท่านที่ตัวในบริจาคแล้วเล้ยงว่าท่านในบริจาคแล้วกาลังพยนยากเลี้ยงแบนเป็นจากข้าววุฒิสติในตัวนี้การเลยถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนทีคุณเทอวุธเทวดาเทียบสามก็เป็นเทวดาโดสติในตัวนี่พ่อแม่ก็เป็นเทวดาโดยสมมุดเท่เทวดายกโกกโกงใหม่ก็เทวดาโดยกําเนิดหรือสวงสวรรค์เทียบสามสมุดที่เทีบเทวดาโดยสมมุติ คือไม่ามนดาปุยญาติทั่วตลอดทั้งท่านผู้มีคุณตลอดทั้งผู้มหากษัต<ม>ริย์เดี๋ยวก็สมมติเทพหรือพระพิกษุทธสามเนีที่ยั่งมาท่านถึงพระสวัสดาบันแจ้งเป็นพสิสาาุทธสมเนีที่มีศีลอาชาลวัตอยู่เดี๋ยกวก็สมมติเทพคือกันท่านเป็นพสิสุทธสมเนีผู้เถิงพระสวัสดาวัน ถ้าข้าไม่หน้าข้าม่ท่นไหนเสนอก็ดีก็เป็นโรคอุตตะเทพท่นเนี่ยองส ก, กมันโกกรคกียาเท พ, พ น, เนั่นการรละลึกถึงพระ涅านกะจะเป็นออุปสมานวัติสติระลึกถึงคนของพระ涅พานซึ่งเป็นที่ระงับสังขารกิเลสและกองทุกข์นั่ย อันนั้นลึกถึงลมหายใจเข้าออกอาณาปนานะสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นอาณาปนานะสติอยู่แน้วทนะี่ยังหน้าร่างกายทีเ่เห็นเพื่อเห็นเอาสิเป็นกายาคตาสติอยู่ในนี้ฮะเนี่อนดุสติสิบคืออารมณ์ที่ควรรลึกสิบ ป, ประการพุทา น, น, นสติรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีเระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น ธรรมานุสติแล้ึถึงคุณของพระธรรมสังขารนุสติและลึกถึงคุณของพระสงฆ์สีราณุสติและลึกถึงสิ่ของตนที่รักษาอยู่ก็ดีที่รักษามาแล้วก็ดีที่จะรักษาไปข้างหน้าก็ดีจารยานุสติและลึกถึงทานที่ตนในบริจาคแล้วหรือยังไม่ทันบริจากหรือกำลังกระพยายามอยู่ก็ดีเทวตารุสติและลึกถึงคุณวินามนนาคุณพอคุณแม่ที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดากายสตาสติแล้ถึง ใถ้าเห็นว่าไม่งามน่าเกลียดเศ้าโศกเมน่อน่าสติเนี่ยนึกถึงความตายจะมาถึงตนนี่เออถึงความตายก็เป็นบุญซะหน่อยนี่กะเป็นอนุสติซะหน่อนี่อันนี้เน้อถึงลมหายใจเขาออกจะเป็นอาณาฝ่าน่าสติอนุสติอยู่หน่นี่อันนี้น เหมือนวิ่งตะกรงบุญเอาล่ะท่านเอาเป็นะท่านเอาเปี่อดแทบบุญนะน่นอนึกวินธบาตน้กันวินธบาแล้วกันนะครับว่ายอดักเียวฝางวัดก็บี่โอ้ยหลวงปู่หม่นปเทศเนี่ยเด้อไอ้ท่นเอาบุญมุกเป็นมันกของเอือดเนี่ยเด้อ่นอัน มันพักติี่ยู่กลางคันทางสี่ักสบายพระกับพรเป็มาสั่นขออาบุญพ่เป็นของอึดแต่บุญพเจาสมพูดหลวพูมันมุห้าวพกันเระลึกพ่เป็นคืออึดต่บุญขึ้กันมาถ้าปล่อยเป็นไรๆแม่หนอมาจิตับมาจิปอดอ๋อฮออมมาเก่วฮกินนกเป่มันเผาเหล้ามนยัเกลผู้ไ้คือพวกตก่อนแบบนี้ ปกป้องอยู่เอ้ยเป็นก่อนเน่าปันญาไต่เน่าไต่เม็ดนเลยสารบัดเนี่ยยินดีในถ้ำชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในควาวัดปฏิบัติเพื่อผลทุก น, นวัตสงสารคณะคิดหนึ่งดีกว่ายินดีในควาวัดปฏิบัติ เลยจากล่วยในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติตะกร่านเตือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติมันเป็นข้อมหมอ่อนบะเทียงว่าปันาให้ผนทุกในวัฏสงสารโดยรวนทุกขั้เทือนเนี่ยในมาท่องเที่ยวอีกปะหนว่ามันสีนั่งปัถนานอนปัถนาอยู่กระเซ็ดพร้อมอยู่อันผู้นั้นผ่านนีแกกล่าวมาแล้วผู้นั้นจิไปไว่ายๆคำมันมากำนนมาขาดี มาค้าดีมันกระท่วงมากค้าฮักออกกอนผมมันว่าถามันว่าเข่าเสีฟาดไาเดียวกแกล้ทงท่าสามโยดผมเสีฟาด่อเดียวเพื่อจังไรมีสติเห็นไพ่ในวารตาสองสารขนะกิฟหนึ่งมันก็ดิงโลดท่านบอเดี๋ยวก็แสฝาดไพ่ในวาร์ตาสองสารนี่เท้าสีนับไหวบอกนับตัวไหประหาหอดมาอื่นก็นับบ่อย นับวัดมือมาคลื่นกับปไวยไม่แต่พ่ยทงนั้นพ่ยแก่พ่ยเก็บพ่ายตายพ่ยโรคพ่ายกวดพยหลงพ่ยส่วนในสกลและใจพ่ไยพ่ายนอกเสียมาเกยมาผาดขึ้นย่างทั่วปักใตอีกก็อับบันนั่นก็ได้นั่งพ่ซุ่มอักขี่ไ่ยโจรพ่ายสีมาเกยมาผาดทั้งนอกอันพ่ายในคิดในใจของเฮาอันที่มันมกดเลบอยู่ในี้นเน่ มันไม่งูเอเฮาง้สาอยู่ในนี้อยู่มันเหนื่อยคลอกสึกัดเข้าอยู่พวงนี้กับเว่นกับขึ้นว่าอย่างไรงานข <c ười> ัดเข้าอยู่พวงมีกเว้นขึน้นซุ่มมันอยู่ในนีม้มันกบังขับเข้าอยู่เป็นนายควนสร้างควนม า, านคือชี้ข้อเขา้าเขา้าเขา้าเขา้เขาอยู่ขอซับหัวโปโป อ, อ, อยูน่นี่มันก็ขอซับ าหัวห้าไปเบิ้ลโทรทับ ย, ยุ่ น, นี่่เห็นหัอยู่แค้นลูกแค้นร้านเป็นล้ำล้ํานี่ย <c oughs> นนงเนโอ้ยนางโดดไปนังเกียจขีดินขี่ดอ ย, <c oughs> อยสนไปว่าโอ้ยซ ก, กปวดขาปวดหัวคือว่าสบายไปไหนบอว่าวนพ่อเ น, น, น, น, น่ยส้ปเบิ้ ไปโทษาทัศฟั่งขับฟั่งล่ำเหมอนิวแค้นล้านเป็นลำล้อมเน่บอกเออนางมม่ขึ้นพ่อมเมื่อเท่าก็ได้นางท่านมันเห็นท่มมามาาะว่าพ่อแล้วมันกระโยอยแล้วใจมันเถื่อมันอยู่หลุมทานเพิ่น ข, นของสานขนาคัดนอนมันก็โพอสนุกกลนไงล่ะโก้หวานกับลรกพูดกับหงเน่าลน นอนกายสำหรับพักพรทุกขภาพน้อนรับหลายกรมักไห้ขีเกียรนอนกลน่นเป็นคำว่นผักพรในทุกขภาพน้อนรับรับหลายตื่นง่ายกรมักไห้ขีเกียร โลกอันนี้มันท้องไผ่โขกตามันห้องไผ่โลกหูมันห้องไผ่โลกดังมันห้องไผ่คว่าตากูก็ถือถอเพราะไฟยั้งสั่นคำว่าหูกูก็ถือถือเพราะไฟยั้งสั่นคำว่าดังกูก็ถืไปเพราะไฟยั้งสั่นเบออกไปน้าสั่นนั่นคาว่าเลี้ยกูสามารถถือเพราะไฟนั่น คนพิษย ก, ไยกไ็ไฟ่คถือยก็ไผไฟเป็นผู้ต้นเหตุอยู่ในนี้พังงกงานคิดตลาดผู้เดียวไปตัวไปตันนี้เขียที่หัวย่อห้ลงลุ่มพนักงานคิดตลาดผูดด้เดียวพังงกงานคิดตลาดรู้หลุดเท่าจะพ้อง โมลู turn, ale, well, ่เท่าตนตอนใดกับโมลู่เท่าใจตอนนั่นโมลู่เท่าถ้ำตอนไหนกับโมลู่เท่าใจตอนนั่นบ่ปฏิบัติถ้ำตอนไหนกับโม่ปฏิบัติใจตอนนั่นพุฒโธแผลคูรูละบาบบำเพ็ญบุญทำโม่แปลว่าทรสมวยถึงละบาบบำเพ็ญบุญสร้งโคแปลว่า ปัจจุบันละบาบรับเพิ่มทุนเอาเป็นทุนเอาเป็นสเสบียงเดินทางไกลจังเนียนลงใส่ปัจจุบันอาดีตมันรวมมาแล้วอน า, ตาคตพระธรรมเถรไหวจิดให้ใจผากายไายจ่าท่านก้มดีในปัจจุบันนั้นเถิดดีมันหางจักบวกดีเรา นบส่วนวัดวิทาาตรก้อนส่นกับไปบวกส่วมาเฮ็ดศาดนันดีวิาศาตร์ได้มาบวกมาเฮ็ดที่บวกดีท่าบุญสร้องไกท่าบาปสร้องไกเมื่อไหร่ท่าดีกับไปสร้องไกท่าน่วกับไปสร้องไกมันก็สรอยมดอื่นท่าบุญบ้าน บาศก็บ่ได้เอาทำบาปบานเสียบานบาทก็บ่ได้เอานั่นพญายิ้ตลาดพวกเอาจทำบุญเสียนวัดภายนอกวัด้ายนอกก็เอาจคนนกรมเพระวน้อยู่กุฏิวหารกุฏิวิหารก็เอานกุฏิใจนั่นเป็นผู้เอากคนวัดใจนั่นเป็นผู้เอาจสบาศตลายวางท่น ท่านบุญสลองอายุแต่อายุของบุญเนี่ยท่านบาปสลองอายุกับท่าบาปอายุสองอายุอายุสรองอายุของบาปเพราะทาบุญกับไปบวกบุญท่าบาปกับไปบวกบาปด้วยท่าบุญพระเวสสพระเวสพเอ้าบุญเนี้เกาัวฟันยี่พ่านนะพระปุตตะท้าบุญให้เจ้าของนั่นแหละ ทะเวีดสั้นดอนันมันจะของห่งละล่ะมันจิตมันใจห่ะล่ะพเวียดเพิ่เสียเอาเฮงเพิ่มอยู่สิบได้พมุนทะเวียดตัว่ามูวห่อถ้ามุนพะเวียีสตายยังท่ามุนพีนเนเพ่เหขาถึงหัวะก้วยกวสี่ยวกองหนึง่งมาถึงไม่จ้กเจ้าลงออกก้วยดูไปดำตาห่อยสุ ด, สด พอตัวใหญ่ท้องกเสาเนี่กินเย่มมันันจ้างมันบุญเพราะว่าก็แม่ข้าวพระเจ้าย้อนแล้วมันังแม่ข้าพระพุทธเจ้ากินโบเี่มมันมันบาปเพ็านั้นเราเราขึ้นกันนะอันน้หวนหวานอันนี้ขมมหวานวานมันต้องอยแต่บุญรายเพานั้นอันี้เราเน่ามันว่ได้บุญกินเป็นระยะบุปผยังว่าพระเจ้าอ่ะมันก็แม่ข้วพระเจ้ามันถัโบแม่ข้าวพระพุทธเจ้า หมูแ n นคว่ำของนักป่าแมนคว่ำของผู้หย า, า, หาคว่ำของผู้ลวงระมือของฝ่ายของมันพระผุขละปัญญติใส่ทั้งนี้ทุขล่าผุขละกปัญญติเก้าถึงบุคคลยบุคคลบางข้นหนูบางชนิดทำลังแล้วมาอยู่ นเนี่ยบุคคลผู้เรี้ยงเนี้ยพวกปฏิบัติพว่าพระครูพุทธละพันัติหนูบางชนิดไม่ได้ทำรังแต่ไปหาอยู่รังเก่าเขาเพราะได้ข่าวข่าวว่าเขาหนีแล้วเขาไปอยู่รังเก่าเขาคือบุคคลบ่ได้เลี้ยนพราะกรไรันฟังเถิดฟังธรรมเนี่ยเได้ปฏิบัต หนูบางชนิดตั่งทำห้างแต่ตั้งยุว่วแต่แกพวกที่กำลังเทั้งเลียยเทั่งปฏิบัติหนูบางชนิดไม่ทำล่ังเลยไม่ยุ่เลยห ม, มายความว่าวัดว่าเขาพระเจ้าพนบ ก, ก่อนี้โียนนี้ <c oughs> ยังเนี่ย นำสายขอบคุณกลางโมดีพระเลาะสะนอโสดจะคิดใจว่าเป็นถ้ำนำสายกลางคุณขอบก็มองว่ามวนจ้คิดใจเป็นท่ำอยู่ก็มอวาดาคน้นดูได้แค่ลูกปูมหาเนี่ ผู้พามือห้าคนเจ่งเลยด้ลยใจเปลี่ยนท่ำมน้าบางเฉียดใสทั้งทั้กลางใสทั้งทั้งคอพูดกับพายล้อสนอโสดใจกับเป็นท่ำดอกไม้บางเฉียดทั้งหอมด้วยทั้งงามด้วย เนอไม่บางชีนิดเนท้องกระเาาออรเวงหน้ามือบหอมมาั่ น, นเนไม่บางชี้ิบางง้มแจ้งหอมมาั่นเนอคัดเข่าอ้นเ น, น, นี่ยน้าก็ปักคาดดังท่าไปตรงครับผ้จสอนทั้วเมืสอเช้าเ้านีมมีวันสิวัดสิวัยมันไหนันพระองค์เจ่าว่าใารสอน อันนั้นหนึ่งอันนี้หนึ่งว่านมากันก็บมกนี่ไะบิน ท, าท่าบอสเห็นไฟไหม่ขอนด้วยท่าทั้งร้ายมันท่วงไฟไหม่ขอนตัวของ อั น, น, นสำคัญม่นสำคัญทอพิคุสามาเณรโพูิ์ศีลาสันไฟใหม่มาสันไฟราบโกรุมาันเ <c oughs> พราะนั่นเรียกว่าอัคคีพมา ส, สูตร ส, สูตรของไฟ วาสุกุบาสิกาสองจำพวกอวาสกอุบาธิกาจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นนาย้ายในนินงตายแล้วลงเวลาหกบาสุอุบาสิกาสุมนั่นในพระไตรปิฎกวาสุกุบาธิกาสุ่มนึงทำตัวเหมือนลูกศิษย์พระศิษย์น้นตายแล้วไปสวรรค์ออ นี่เลยพระใจพิโรกพระเนียนวว่ยเสวยปัะใจสีจีว่ามินทบาทเส้นาสนะและเพศสัตว์ว่าพี่จะหน้าล่งพระเจ้าเอกคณะย่าน นุ่งผาก็เพื่อผาดเพลียงว่าให้มันสวยมันงามนุ่งใบไม้สาวมาั่นปานนุ่งกอเดเล็กแด้งมาสั่นปานนุ่งแพนเล็กแด้มมงมาสั่นมันมาใส่มีดโยมเล็กผาดเนี้ยมีดเนี้ยเขาบอกมาชื่อสัตว์นี้มันว่ากขาถืว่าวาอกใส่ตะเาได้ว่าใส่ต่ า, า, า, าตๆโยม <c oughs> นั่น กินขาวเพราะพี่จะหน้าปฏิกูลผ้าเพรผ้าวาหน้าปฏิกูลปานยาก้อนเล็กแดงยําก้อนเล็กแดงมันง่ายคายได้เพาะั้นอันไปนตกบอละหกระคายง่ายเพราะฉะั้นน่ะอยู่กุฏิวิหารเพื่อสวยเพื่องามบ่มุ่งว่าเพื่อกันแดดกันร่มกันยุ่ง ก, กันฟ้ากันฝน กันและดูแปลปวนม่านอบล่องในนะสัตว์โตนาชีโว oso โลม่น ม, มันสัตว์มันมันบุคคลเหมือนจะเพี้ยงว่าเอาห้างกระดูกมาอาศัยม่นอบลงอยงสัตวก็เพาะปันนั่งนอนงกอดเล็บแดงว่าเด้ฮะเนี่ยบัน ม, มันขอ ง, ง, งอยังไงปัญญเด้นี่ก็ได้ฮะเนี่ยสวยเพรสัปมปขาปลอมสมอกินเพื่อให้มันอิ่มต่างเขาโอสัตว เพื่อกันแก้หิวท่านกระปานกินก้อนแดงแดงทุกคราบืกนนั่นเก่งกว่าเนสท่านหรอพุทธเจ้าขันสันเพื่อว่าบำบัดเพื่อหามันทายเพื่อระงับวทยาหน่าเซนซี่นอ้อมไปเังซี่หนึน่งแก่ยังพ่อประทังนอ้อมไปเพื่อว่ากินต่างเขาให้มันอิม่ม มันหิวกะปานกินก้อนเล็กแดงแน่น่ะ เรื่องบาปนี่เฮ็ดน้อยเดียวนั่นก็เป็นบาปเรื่องบุญนี่เฮ็ดน้อยเดียวนั่นก็เป็นบุญหวังจันทร์อรรว่าขันพูเถึงพระโสดาบันแล้วปิดประตู เมื่อไปอบายจะพุมตายเมื่อไร ก, ก, ก, ก็บ่ไปนีมคือกัารฝาคือกันเน้นคือกันตายเมื่อไรก็พิษอบายจะพุมแหละแต่ข้าพ่อ้หนาว่าพ่อ้หนาว่ า, าเป็นปัญหาเพราะเหตุใดเพราะจิตใจถึงพระพุทธประทับประสงข์เนี่ยนี่สินหารบริวูเแล้วมัมีการแกล้งขาดทัดทัดชีวิตเลย มันมีแก่งสีรักทรัพย์ประพฤติพิษได้กล่าวมาไหนเลยมันมีแก่งสีผูดเท็ปเลยพระเนี่ยนะคือการผู้ใดตัวดูดูเลยสู่เขารักษาชิ้นหาว่าได้่จ้ามรบเจ้าอีาอ้ธาตุก็เหมันคงเห็นบอกสู่เขารักษาชิ้นหายวานันว่าได้เจ้ามรบตัวหนาตัวหลังตัวไก่ตัวไก่อ่ะเจ้าอี้ธา่ะ พนเนีบอกบัสบอกเบอร์ขึ้กันลนะ่ะสู่เขารักษาที่ไหนว่านก็นไ่ได้เจ้าสี่บอกด้วยเกียรตเจ้าสี่บอกเลิกประเนก็กระซ้างเก้าเหรว่าที่เจ้าไม่เกรตนาเถอะเออเจ้าสีเฮาใบเลิกปน็กระกาม ขัดเจาผมม่เกลียแต่หน้าเขาไปผูกอ่อนเหลือเว้ยใสอันน่ะมือผมมีแผลเอายาพิรมาใส่มันกับพกเขาบอกเขาสั่นว่านั่งนันของเห็นบมอแม่นฟุตบัแม่นฟุตบอลเพราะมูนิฟุตบอลนี่แม่ของเห็นบมอพิชซุ่นซ้ำอันนี้อกกระตุ้นฆ่าท้าให้เขา เสยศาสตร์เเขาใส่หนังบางฟันก็ดีวิสาสนีก็ดีวิสาหงปลอดก็ดียก็ะปาปัสสมาการอัน น, นี้ชนะอย่างที่สมควรพอไหมเหสมควรภาการสัมผัสพอไหมนั่นครับตอนนี้หระครับเนี่ย ขบวดหวังจะเป็นเทพระเจ้าองค์ได้องค์หนึ่งก็ดีหวังจะเป็นเที่ยววุเทยวดาก็ดีแม่ชนสังโยกเหนื่อยเชื่นเสียงว่าตัวข้ามหัวอยหนอกกำฟ้า นอกฟ้าก็ดีนอกขำาแพงก็ดี่าสินอกมองหนา้ามองตาเขาเรเกิดกำนัตยินดีกว่าดีชอบคุยสอบพูดกับเขาหัวชี้ๆก็ดีมาสิใ น, นนอกฟ้าในนอกข้าแพงก็ดีเดี๋ยวเมยสนสงบ เก็บเนีของนักคำโทษต้องเห็นพรมจังของพว้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยพวกนั้นมาพุทธพรมจังไม่บริสุทธิ์ประกอบไปด้วยนี่ยสมชังโลกย่อมไม่พ้นไปจากทุกได้หมายควบอาโวสามารถจะเป็นพระสวสดา์วันสัคขะข้ามี่อนาข้ามี่อรหันในปัจจุบันนาซากแต่พ่อเป็นเด็ัไสล้วพอได้ยู่เป็นวางเนี่ย ร่วงอาวัชสังฆาทิเศษและปารายเชกแต่ ว, วันก็ไปบางางแล้วผ่านเนี่ยนั่งมีอะไเข้าเราพอพูดพอทำพะสงยิ่ง เป็นวิชาพุทธมาโลกขอามออกกายสวายสิต่อพูทประธานประสงค์ยู่ต้งเมือเหลือดทุกกัดสืบบูชาเลยแล้วพระทก์ทั้งป่วงสปพระทุกข์ทั้งป่วงอะไรบูชาเลยมะต่องมีใจเป็นหนึ่งเป็นสองเลยแกบป่วยมากค่ะ พาวาันหายามากินเศร้ากับเศร้าว่าเศร้ากับตายค่าพาวันหน้าแต้พุทนันเรียวกว่าถึงแต่งสนาคมขับตายวันไหนก็ไปสุขติ้มเาต้องสงสัยปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะวันเ้ารงสารปัญหามันมอหลายนด้ ปัญหามันมีหน่อยัที่ปฏิบัติเพื่อลาบเพื่อนวดเพื่อโด่งดังเพื่อซื้อเพื่อเสียงปัญหามันก็หลายแล้วเขาต่อสางขึ้นออแต่หลวงว่าเห็นไพ่ในวัดตาต้องสานอย่างเต็มที่อะเห็นไอ้ทนนีจังทุกคั้งอานาตาสัตย์กับมันสิวังเีียงแน่รู้กั เห็นก็เกิดข้อมดับมเห็นค้อมแลปวนมัเห็น ข, อ, ขอมแลสลายทั่ซัดนที่ะกอมันเขามันเห็นอันนี้ซัดเ์าห้อยกล้ามัานไหมมันกิดึงยกไปใสมกปั่ดึงขาเตาตบตบตตบเรื่องเนีย่ยเนี่ื่อนเนี่ยุไม่ขึ้นมาัานทนทั้งหลายประหวมอยู่ในอันนี้จะ ก็ไม่เที่ยงสัญญาสิบสัญญาไปลว่าก้มจำสิบอย่างอัุภะสัญญาความเห็นดวงงามแห่งสกุลร่างกายให้จำไว้ดื้อมีสังข์บุญร่าสกุลร่างกาย อที่ณวสัญญาข้ามเห็นความเป็นโทษร่างกายนี่ก็ดีมีแต่ข้อมเก็บความปวดอยู่ในนี้มีกระโหลกเบียดเบียนจำได้หรือเดี๋ยวว่าทุกข้าสัญญาประหานะสัญญา กามันมีตกพยาบาทวิตกวิหิงสาววิตกหายละเส้นนู้นเนี่ไปส่งเสริมมันอันนั้นตาสัญญาคว่มันเป็นตัวเป็นตนมันชัดนั้นบุกก้นเกิดขึ้นมาแล้วกบแฟ ป, ป่วนใั่นแต่สลายนี่ตาหูจมูกเล่นหายใจเป็นต้น ใจกัเป็นเตสักว่าใจว่ามันซัดว่ามันบุคขลกายก็บเป็นเตว่ากายว่ามันัตว่ามันบุกข้เวทนาสุขถกสวยกัเป็นเตสักเวทนาพวกมั้นีเป็นขมหมันว่เทียงทางนั้นบุคข้จะถือว่าเล่าว่าเขาว่าสารบุคคลโดยจริงจังรงแก้วว่ไรข้่าออกเดี๋ยววอานาตญันยะวีลากาสันะนี่ ค้งกำลัดอันโน่นี่เนี่ห้ซสิ้นไปซะเนอะว่สันนี่โลซาสัญญาให้มันดับไปซะวะสันให้มันดับสนิทไปซะวาสันใมันมี่อันนี้วะสันอันควบกำนัดช่มงนี้ให้มันดับไปซะวะสัเขาใจท่านมัน่นแล้วให้มันมาตีนภากร <Yeah. S 1> เก่า้อนนั่นซอนในมัดส่วนส่วนนี่ย โลาสัญญาสิบแล้วพระโลกเกียพี่รตาสัญญายังยินดีนะโลกทั้งปวงนะครับโลกทั้งปวงเครื่องมันยังโลกผ้าหนายคือตาหูจมูกเรียนงกายใจมันนี้ก็ครือกันใจก็จัดเป็นโลกคือกันโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกกจัดเป็นโลกรกันได้ยินดีในโลกทั้งปวงจงเบื่อหน่ายในโลกทั้งปวงเซเนอร์จงละอาในโลกทั้งปวงเซเนอร์ โรคตาโรคหูโรคกรมูกโรคเล่นโรคกายโรคไก่น่งโรคภายนอกก็โรคลูกโรคเสียงโรคกินโรครถกโรคโหตพโรคธรรมารมืออีกโรคภายนอกมาจะโรคภายในเนี่ก็พอแล้วน่อัจฉริธมโรคภายในโรคภายนอกพรเท่าธรรมอัจฉริลมานาธรรมะหามีอารมณ์นี่พี่ยังหน้าอยู่นี เห็นท่าละมานาธรรมะอารมณ์พ่อยนอกกันทีพี่ช่าหลูกเสียงเินรถดะพังธรรมอารมณ์จใช้ได้คือกันเหือเห็นทั้งในสัดทั้งนอกซั์อันเดียวกันเหสถานียไงมันมาร่วมจะใช้หันในโลกทั้งปวงโลกท้งปวงมารวมใน้หันหนวบนได้มามันมารวาบรมมรวรวเองมั่ มันกำมาร่วมเยอะอันนี้จะตาความเป็นของมาเที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อันนัตตาความเป็นของมันใค่ตนนานมันมาร่วมเยอะขนเอีกใครมีใครแจ้งให้มาร่วมดอกมันว่าเองมันคือเข้มเทียนหน่อยมได้แจ้งให้มันซี้ไปเราไม่ซี้ไปเองมันคือนำไหล่ลงมาหาสมุทรทะเลมันมีใแจ้งให้มาไหล่รามาไหล่เราไปเองมันนั่นมันมีเงย่อนงันคื่นเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงจงปฏิวัติตามเป็นจริงหาชักถอนง็ สงสัยตามเป็นจริงดรอกงพ่อพุทธเจ้านั่นนั่นคือตัวศีล น, นั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญานั่นพุนทเก้าทุกคานี่แหละเป็นศีลเนี่ยเขางโค้งทังทีละทุกขานเป็นสมาธิเน่ไม่หนวดไม่เข้าสิว่าท่นบอผู้พิการนั่งั่นตัวเออเป็นไม่จะของหนวดเปนเ ห, หัวเรอ <c oughs> <c oughs> เรื่องบุวีขาวลาสกใจ้ายเลยตกใจเรื่องไหนสิขึ้สมมติครัเวีนีามสลอในค้าแกงในข้ามสลอฮวาไอ้ตาเครืงนตดอกไม้ับท่านตุกเกี้ยนครับ่านเรีว่าปดิ่องกระักหรือช่องแยปเครื่อพัดเครือยางเคื่อทํามีน้ำกับ แล้วกัุชุ่งเ้าวาดนว่าพุุ่งเจ้าวาคือจำในคำสโลองต้นผ้าที่คาหัมันมีตัวยางมันนี่แบบน่ากิดงงอันนี้พวกนี่พวกหวังเกิดเห็นภเษียเมตตายแม่นอคันเห็นยังสั่นอ่ะจักเห็นภาษียาเมียตายว่าจะสั่นได้เดียวเนี่ยฝักในตลอดมือตลอดอืมเขียแเดีวเหมือนึงวันเดียวย่าเขียวทากคว่าสั่นอ ฮแเห็นหนาพระศรียเมต็อกว่าสันับเนี่ ย, ยออกร ะ, ะกต้องหะมันเห็นหนาพระโคตกนยังเห็นไนฮนีเจนาพระโคตเขบเห็นมันกจอยจังี้พนะระโค้ตธรรมากะก็สอนว่าให้มีศีลไม่ท่เ า, ท า, าเนี่ยให้มีท่านมีศีลไม่ภาวนาเนี่พระศรียเมศตก็คืบกนะันฮะมันพระศรียาเมศไต้เนี่ยเอาคำสอนบรรเทเอาคำสอนสินหาสินแปดสินสองลอยยีิบเก้าสิบเก้นะาะเห็นหนาพระโคตะกนพูดให้ <c oughs> เห็นรรมพูดให้เห็ต่เข้าเราพระโคตธรมาสักัน เพื่อให้ขาล็เข้าล็พระโคตธรรมะกันาพระศีนเมตตาเกเห็นห้องเหลียมสายพระโตมะก็เรียกว่าเหลี่ยมสายพระศีนเมตตก็เหียมสายกูสันโโกนาเขาก็่กัโโตุอเรียมเมตตาโยหรืออันนี้ก็สตโกตยโยพระพุทธเจ้าหมัก็ลโกห้องเหลียมสายพระพุทธเจ้าองค์ก็เรียกว่าเหลียมสายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วห้องห้ท่านักษาศีลภาวนาใพระพุทธเจ้าองค์ไหก็เรียกว่าห้ท่านลักาศีลสาธิลภาวนาในพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์แล้วแต่ว่าของสันแต่เข้าใจับอัน มันกระเรียกเขาโวหารข้าวกระหานน้องได้หรอบอผมมันเชี่ยงเมียงไว้บอขึ้นี้ไอแหมกะที่ไอแหมนั่มันกะต็มพี่ด้วยภาสตพี่ต่อมา tunes, acht, ansa, ้่าผหมดบรงงานเนาะโรงงานฝาผ้าเะพูเขาไปเห็ดเนวอื่นสั่งมพร้าวสั่งพูเอาบนพรเวสกะสิงมาพ้าโรงงานเนาซื้อลักอหายาีิคือ บอมัดแกงกันไม่ด้อกอาบนพะเวศอาบนพะเวทเอาเอาาด้วทัศส พ, พ, พ้อนทัศพ้คนาถาซิบเก่าสันคุมันบวมแย่เลมันลอยเก่าเลยทัศสพรทัศสะพ้อนแปลว่าให้พอนิะการแม่นบ่แล้วหิ ม, มาพ่านกับแปลว่าพระ อ, องค์เก่าเขาป้านหิมะพ่านบนะ แล้วก็ท่านักขันกับรพระพุทธเจ้าหายรถพระเยสันดอนหายท่านเนาะวัานนาประเวศนั่น